ผมไม่มาก็เทศได้ทั่จะเทศผมมาก็เทศได้วันนี้มองนวดแม่ราษฎรนาแล้วก็ไม่ไม่มาก็ไม่อะไรหรอกออที่จริงคำว่าผมมาเนี่ยผมมาเนี่ยสะคำว่าดีพมได้ไปอราธฎรนาในบนพระพุทธเจ้าก่อนที่จะแสดงธรรมเลย พระพุทธเจ้าตัดสู้แลว้พวพงพงท้อพระไทยท้อพระไทยที่ไม่ไม่อยากจะเทศสอนสัตว์โลกเพราะการทำมามันลำบากทำหนักถึงขั้นเอาเป็นเราตายเสี่ยงชีวิตเข้าสู้ถึงได้ตัดสู้รมคิดว่ามาสอนก็จะเหนื่อยเปล่านะไม่มีใครจะรู้ตามเห็นตามไปสอนที่ไหนคนก็จะว่าพระองค์ไม่พูด เพิร์เจอร์พูดแบบบ้าไปทั่วน่แหละทั้งๆั้าพวกเหล่านั้นเป็นเพอร์เจอร์เป็นคนเป็นบ้านี่แหละมันพราไม่เข้าใจเรื่องเข้าใจยากเนี่ยพงษ์ท้อพระไทยในที่จะมาสอนว่าโอ้ถ้าเราทำถึงข น, นาดนี้เราจะไปสอนใครให้รู้ได้ใครจะทำตามเราได้นี่นะพงค์ยังไม่พิจารณาอะไรยังไม่ได้คิดอะไร พระองค์ยังดูในตอนนั้นตอนที่พระองค์เป็นอย่างนั้นอยู่ท่านก็มาเกิดความรู้สึกอย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่พระองค์สร้างพระวรีมีมา เ, เพื่อจะสอนสัตว์โลกพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็พระองค์ก็เพีจารณาย้อนกลับถึงการกระทาว่าที่เราทำอย่างนี้เราทํายังไงถึงรู้ได้พระองค์ก็มาโอ้เรากำหนดรับปานรัส ต, ตินั่นก็ ไปบอกเขาให้เขาทาอย่างนี้พระวกก็มาพิจารณาในตําลาว่าคนที่มีธุลีในจักรคู่มีน้อยยังมีอยู่เห็นคนที่มีธุลีในจักขุมีน้อยยังมีอยู่คือเห็นพวกที่มีบา ร, รมีนั่นแหละยังมีอยู่พอที่จะรู้ได้ที่วันพระพเจ้าได้ลงมาสู่โลกมนุษย์นั่นในพระไตรปิฎกที่เคยอ่านเนี่ย มันมีจิตพวกจิตวิญญาเนี่ยมาเกิดเป็นจี่หมื่นจี่พันมนุษย์ลงมาวันเดียวกันเราจําไม่ได้นะเพื่อจะมาเป็นบริวาลให้พระเจ้าได้สอนลงมาวันเดียวกันเลยมาเกิดนั่นแหละเออมีเฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่อศัศจรรย์อย่างมากอากาก็มาเกิดเพื่อเป็นผู้เสริมบา ร, รมีนี่เถอะแค่เห็นไหมอย่างอย่างพระยาอย่าง นางเจโสธราพิมพาก็มาเกิดวันเดียวกันเนี่ยเป็นเว็นคู่บารมีกันอย่างนี้มันจะมาลงมาวันเดียวกันมาเกิดมาเอ่ยเดีว่ามาเกิดมาวันเดียวกันเอยมาเกิดเรือพระเรือพระโยญาตโสธราพิมพาก็มาเกิดวันเดียววันเดียวกันประสูนธิการวันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าครับเอเจ้าชายที่สากำลังเอเจโสทราก็นี่เป็นวันเดียวกันนั่นเองนั่นนี่ พวกก็พิจารณาเห็นบุคคลที่มีจักขูในทุลียังมีย้อยมีอยู่พอที่จะรู้อัดรู้ทมได้เงีย น, น, นี่ประกอบประกอบกับตนั้นก็ผมผมก็เกิดความหวั่นไหวนถ้าอย่างพวกเราก็วัดตกใจเออโอ้เทวุทธเทวดามนุษย์ดาเนี่ยเสื่อมราบแล้วพินาศแล้วพระพุทธเจา้าไม่แสดงธรรม เลยเห็นโลกพินาศเห็นมนุษย์วนาเทวุตเทวดาเสื่อมลาภไม่มีที่พึ่งก็เลยอาาสธบดีพมนี่เลยมาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมจึงว่าสหบดีนั่นเลยที่ปฏิธรรมบดีพรมมาจะโลกาที่ปฏิธรบดีสบรบดีพมได้มากราบวาราธนานิมนุ์ให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อสัตว์โลก สัตว์โลกสัตว์โลกที่มีจุกทุลีในจักขุูมีน้อยยังมีอยู่เพราะที่จะรู้อัดรู้ทมขง อ, องพระองค์ท่านนั่นแหละพระ อ, องค์ก็ลงใจว่าจะประกาศศาสนาสอนอัดสอนธรรมแจกสัตว์โลกน่ แ, แต่ทีนี้ว่าเราจะไปสอนใครก่อนใครจะรู้ตามเห็นไหมรมจะลงสู่โลกมนุษย์นี่ไม่ใช่ลงง่ายๆ อยาหาคนสอนก็ไม่รู้จะไปสอนใครก่อนเอจะไปสอนใครก่อนพี่าล่าไปหาอุนลกาดาบุรอาราะกาดาบุซึ่งเป็นอาจารย์เบื้องต้นเคยไปศึกษาอบรมชาญที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นก็มีอาราะกาดาบุตรละกาดาบุก็ไปศึกษาแต่ ในตำราว่าในพระไตรปิฎกว่าพอท่านเหล่านั้นพูดหุบ ป, ปากพระพุทธเจ้าเจ้าชายมุนีศิรทาก็เข้าใจนะเข้าใจเพราะสิ่งที่อ า, า, ารากขาระ บ, บทการดาบทนั้นพระองค์เคยทำมาแล้วตั้งแต่สมัยชาติก่อนก่อนก็ดีสเสวยชาติเป็นดาบทเป็นพระฤาษีเต็มในใบก็ตามก็ขอบไปได้ดเนะี่ย เหาะไปโน้นหาะไปนี้ได้ก็เจริญฌานชานะชานะคือไปเพ่งฌานเพ่งใจนั่นแหละภาวนาเพ่งใจใจเจริญใจเจริญนั่นใจเจริญขหาะเดือกเหาะได้นั่นเป็นไปเพ่งฌานเพ่งฌานใจเจริ ญ, ญ, ญ, ญ, จจรญตัวก็เบาเหอะได้นัเป็นอย่างนั้นเทมีในตำราก็พระพุทธเจ้าก็สร้างบา ร, รมีมาแล้วก็พอพอท่านเหล่านี้พูดจบก็หมูบ่ปบากก็เข้าใจหมู่ปากเข้าใจว่าท่านเหล่านี้ไม่เป็นไม่ใช่อาจารย์ เป็นอาจารย์สอนเราไม่ได้นะไม่ใช่พู้สิ้นไม่ใช่คนทางสิ้นกิเลเราควรหลีกหนีนั่นแล้วท่านเหล่านี้ถ้าท่านเหล่านี้อยู่เราจะไปเราจะเราจะไปแสดงแขะทาสนองคุณ ท, ท่านสองคนนี้ก่อนอพาะเคยไปอาศั ย, เ, ยเป็นอาจารย์เบื้องต้นน่นจะพูดถึงอาจารย์นะก็เป็นอาจารย์เบื้องต้นน่แะแต่ไม่ใช่อาจารย์ถึงที่สุด อ, อาจารย์ เบื้องต้นแต่ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เข้าใจหรอกไอ้ hey, แต่ว่าไม่ใช่อาจารย์ก็ได้แต่หาอาจารย์พระองค์หาสาแสวงหาอาจารย์อยู่เหมือนกันแต่ไม่เจอไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ก็พอพิจารณาว่าท่านเหล่านี้อยู่ที่เป็นอย่างไรโ oh, hey, อ้ไอ้อุรการาอุรการดบทไอ้อลาราลการดบทลการดาบ ท, าาบทนั้งตายกันหมดแล้ว คนหนึ่งเผาศพไปแล้วเกตวันคนหนึ่งพึ่งเผาได้สามวันเนี่ยโอ้ท่านเหล่านี้เสื่อมราบนะหากว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าเราไปแสดงธรรมท่านเหล่านี้จะได้มรุอนาคารเลยทีเดียวนะเห็นไหทราบด้วยพยานว่าท่านเหล่านี้จะได้อนาคารมีเลยทีเดียวเพราะท่านเหล่านี้ก็จเจริญฌานไนแล้วจเจริญฌานไปแล้วมีความชนานาญสมาบัตแปดคนหนึ่งสมาบัตเจ็ดนั่นแหละ แต่เพียงว่าไม่รู้จักทางเดินแต่ถ้าพระเจ้าไปแสดงธรรมท่านเหล่านี้ก็จะบรรลุถึงใอนาคามีนี่นี่แหละไม่มีใครสอนนั่น <c oughs> แล้วใครจะรู้ได้ทีนี้จะได้ประโยชน์จากการสอนก็มาพิจารณาเหนเ็นปัญญวิธีทั้งห้าเคยมีบุญมีคุณต่อกัน เคยมาปฏิบัติเราอุปธรรมประทากเราตอนที่เราบําเพนทุกกะกิริยาแต่ตอนนี้ปัญจวัคคีย์ไม่อยู่แล้วไปอยู่ที่ใดพระองค์ก็พิจารณาไปทราบด้วยพระญานว่าตอนนี้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าหลบไปอยู่ที่ป่าอสิสิปัตนามลึกกทายวันเฉตเมืองพราณสีอิสิแปลว่าป่าใหญ่เออเออิสิปัตนาเฮอิอสิแปลว่าป่าใหญ่ปัตนาแปลว่า เต็มไปด้วยแม่เนือ้อสะพังด้วยแม่เนือ้อต่างๆเต็มสิงสิงสิงสารสัตว์ต่างๆในนั้นนั่นแหละนะะรรี่พระองค์ก็าาตามธรรมดาพุระเจา้าพระองค์ก็ดํำลิดจะไปแสดงธรรมแจกปัญญาวิถีทั้งห้าตามธรรมดาพระเจ้าเนี่ยวงใดก็ตามตัดสรู้แล้วจะไปแสดงธรรมนี่เอาะไปแต่พระองค์ก็มาถ้าเราเหาะไปนี่จะไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าเอ่ เราเดินไปเนะี่ยเราจะมีคนมาพบจะมีดาบทคนหนึ่งมาพบระหว่างทางแกได้สนทนากันพอเป็นนิสัยและต่อไปเขาจะศึกไปเป็นคารวะของบ้านของเนือนแล้วจะเบื่อหน่ายในในชีวิตความเป็นคารวะจะกลับมาบรรพชาอีกแล้วจะได้บรรลุพระอรหันเราควรไปโปรดอดาบทนี่ก่อนนะัเห็นไหมเฮ้ยไปก็ดาบทล้งก็ชื่ออะไรเนี่ยเป็น จำระ ก, ก่อก่อนก็ท่องมาอ่านในตำรานะแต่ตอนนี้จำชื่อไม่ได้มันแดแล้วก็หลงไปในพระไตปิดกเดินผ่านมาก็มาเห็นมาเห็นอากับกริยามาเห็นฉับพันตรังสีว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุยใหม่ฉับพันตรังสีก็ไขโรดโคดช่วงแค่สี ส, สงามเหมือนสีฐานไฟป่จาจากควันและเปลวนั่นแหละ ว่าอย่างนั้นในตำร า, ลา <c oughs> แล้วก็พอด้ยบว ม, มาเห็นก็เกิดความอัศจรรย์ในผิวพรรณวนาในอินเซก็เลยถามว่า อ, อดูผิวพรรณวนะท่านผ่องใสผิวพรรณวนะดีอินีย์แจ๋ง่าอท่านใครเป็นอาจารย์ของท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านอยู่ที่ไหน พระอริยเจ้าก็ตรัสว่าเราเป็นพระสยามภูริเป็นผู้ตัดสู้เองโดยชอบไม่เราไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีใครบอกใครสอนเราดาบอดคนนั้นก็เลยคิดว่าโอ๊ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคนไม่มีครูมีอาจารย์เนี่ยจะจะดีได้เนี่ยมันต้องมีครูอันนี้ท่านอย่าพูดเกินไปถ้าพูดแบบภาษาบ้านเราไม่มีครูมันจะไปรู้ได้อย่างไร เนี่ยยังไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อคือครูบาอาจารย์ให้ฉายาว่าดาบทึ่ง น, นะแต่ท่านยังพูดจาไพเราะเพราะพริ้งเหลือเกินแต่ในพระไตรปิฎกว่าไม่ไหวงนันนะไม่เหมือนคุณเพลินร้องนะในพระไตรปิฎกว่าแต่ขอถามชื่อท่านหน่อยว่าชื่อท่านอะไรเนี่ยก็เลยบอกว่าเราชื่ออานันตชินนะชื่ออานันตชิ น, น นั่นแหละก็พอพอรูอร้จักชื่อแล้วเฮฮ้ฮยก็ใส่หัวเดินไปเดินนี้จากไปนั่นคนไม่มีบา ร, รมีบารมีมันยังไม่ถึงก็นังพวกเรานี่แหละบารมียังไม่ถึ ง, รรมงไม่พอ ไ, ไ, ไม่พอที่จะผ่านพ้นไปได้แต่ก็อาศัยทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆไปไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ค่อยเต็มไปได้ด้วยเหมือนกันสูงขึ้นสูงขุ้นเต็มไปด้วยเหมือนกันเฮ้ เหมือนผ ล, ลไม้เหมือนเล็กมันก็ยังไม่แก่มันก็ยังไม่แก่มันก็ยังไม่สุกหรอกเอามาบ่มมันก็ไม่อร่อยมันก็เน่านี่ก็นี่แหละพอไปแล้วก็ทวาเจ้าเสด็จผ่านไปดาบทนั้นก็ไปชอบไปอยู่ใน แ, แวดในแวกป่านายพานเป็นคนเลี้ยงนี่เป็นคนเลี้ยงก็พอดีวันหนึ่งนายพานไปไปล่าเนื้อหลายวันเตรียมสเสบียงก็ไปในป่า บอกให้ภรรยาใส่บาทให้ดาบดเวลาดาบหมดมาพลิกคาจานพ่อมาแล้วก็ดาบหดนั้นก็วันนั้นไปวินทั้งบาทนายพานไม่อยู่ไปเห็นลูกสาวนายผ่านมาใส่บาทก็เกิดรักชอบลูกสาวนายผ่านแอดาตะลึงงงไปเลยนั่นแหละถามว่าพ่อไปไหนนั้นแหละคําพูดว่าพ่อไปในล่าเนื้อมันก็แทงหัวใจ แทงหัวใจกลับมาวัดก็กลับมาอยู่ในอาสมก็ไม่ไปอีกไม่ไปบินทาบาทอีกต่อไปนอนนอนบนเพ้อระเมอถึงแต่ลูกสาวของนายพานชื่อสุชาวดีอพอดีนายพานกลับมาจากการล่าเนื้อก็ถามภรรยาว่าเห็นดาบบทมาบินทัาบาทไหมไม่เห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่ท่านป่วยเหรอ พวกท่านโมแ ก, ก้วไม่ได้ไปดูแล้วก็เราออกไปดูไปดูก็นอนเพ้อระเมอถึงลูกสาวนายพานอยู่พูดถึงพรรนาถึงเห็ลูกสาวนายพานนายพานเห็นก็ฮรู้ก็เลยทําเป็นแจ้งไก่ถามว่าท่านเป็นอะไรเราโดนยิงด้วยลูกศรไว้อย่างนั้น <c oughs> นายพานก็พลิกหน้าพลิกหลังลูกศรไม่เห็นรอยยิงโอไม่ใช่ลูกศรยิงอันตรงนี้ คือลูกสาวของนายพานยิงเราเรารักลูกสาวนายพานก็พูดเป็นนายพานไปนก็เกิดความสงสารเนี่ยพ่อดาบวดนี่ก็อายุ18ปี่สิแแล้วในลูกสาวนายพานก็16ปีก็สงสารก็เลยไปพูดออดอ้อนลูกสาวให้แต่งยอมแต่งงานกับนายดาบวดคนนี้ซะมึกออกมามาแต่งงานซะ ล, ลูกสาวก็ไม่อยากได้เพราะแก่แค่เดี๋ยวก็ดีไปเองหรอกเนี่ยก็รายงานไปก็าตรงลงก็เลยมาแต่งงานกันได้ลูกมาก็เอาลูกใส่อู่ใส่เปย์ขับกล่มลูกแค่ก็แค่ว่าพ่อเจ้าเนี่เป็นคนแก่อาชีพอะไรก็ไม่มีทำมาหากินก็ไม่เป็นอาศัยหาบเนื้อเวลาพ่อตาไปหาหญิงมหญิงมาแล้วก็ไปหาขายก็เกิดความละอาย จะหนีไปแต่ เ, เราจะหนีไปที่ไหนก็ ค, คิดถึงเรามีเพื่อนไหมโอ้เรามีเพื่อนอยู่ชื่ อ, อนันทชินอะไรอ่งนั้นก็เลยตอนนี้อนันทชินนอยู่ที่ไหนตัวตามหาพระพุทธเจ้าเดินไปหนีเพราะทนอยู่ไม่ไหวพวกโดนเขาก่อมลูกใส่หูอยู่ทุกวันอืเกิดความละอายก็ไปพอพระพุทธเจ้าพมบอกว่าวันนี้จะมี คนชื่อนั้นมาหาเรานะพระมาก็บอกให้ไปหาเราอยู่โน่นไปพระองค์ก็ไปก็ปเทศน์ให้ฟังนายพานนั่นก็รู้สึกว่าได้เป็นพระอนาคามีนะได้บวชเป็นในเป็นพระอนาคามีนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละพระองค์ท่านมีพระเมตตาแนะนําสั่งในต่อสัตว์โลกทั้งหลายคนไหนพอที่จะได้ พอที่จะได้ขั้นใดก่อนพอที่จะถึงตรงไหนพระองค์ก็ไปเสด็จไปโปรดนั่นไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เ, เพื่อต้องการให้ท่านเหล่านั้นแม้ไม่ได้เป็นพระรหันก็ตามอย่างน้อยให้ได้สร้างบารมีไว้ตายแล้วไปสวรรค์นั่นไปอยู่รอบนสวรรค์พระอริยะเมตตาลงมาโปรดท่านเหล่านั้นก็จะได้มาได้ตัดสรุนุบรนรุธรรม ตามเศร ษ, ษ, ษพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปท่านหาไปเก็บเอาเก็บเอาไว้ก่อนคนที่พอมีบารมีอยู่ที่ไหนนันต่อมาถึงสมัยปัจจุบันก็มีองค์พ่อแม่อาราจา์หลวงปู่หลวงตาพระมหาบัวของพวกเราก็เช่นเดียวกันท่านหาเก็บเอาผู้ที่มีบารมีเอาโครงการช่วยชาติออกหน้า ใจของกิ่งท่านแล้วเนี่ยท่านต้องการช่วยชาติท่านต้องช่วยคนก่อนแต่คนไม่เข้าใจท่านจะช่วยคนให้คนรู้จักศีลจักธรรมรู้จักประพฤติตัวปฏิบัติตัวรู้จักประหยัดมัตยัานั่นรู้จักใช้สอยของให้มีคุณที่ให้ให้รู้จักให้คุ้มค่าให้รู้จัก ว่าสิ่งเหล่านั้นหามาได้อย่าว่าหามาได้โดยง่ายกว่าจะได้เป็นเงินเป็นทองและเป็นผ้ามานุ่งมาขมมาใช้มาส้อยเป็นบ้านเป็นเรือนก็ตามรถนาก็ตามเถอะนั้นอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่มาได้ง่ายกว่าเราจะมาถึงตรงนี้เราก็เคยยากเคยลาบากมาเช่นเดียวกันนั่นนี่แหละ พระ อ, องค์ก็หาเจ็บเอาเจ็บเอาสอนคนให้รู้จกักคุณค่าให้รู้จักประหยัดมัธยัติการประหยัดเป็นการเป็นการสร้างฐานะของตนเองเป็นการช่วยเหลือตนเองการช่วยเหลือตนเองก็เป็นการช่วยชาติชาติไม่เป็นหนี้เป็นศิลป์พระลุงพลังเพราะเราคนไทยไม่เป็นหนี้กันไม่ฟุ้งเฟอ้เอเห่อเขิมหนักเป็นอย่างนั้น ท่านไปหาสอนคนอก่อนให้รู้จักประหยัดให้รู้จักอยู่แบบพอเพียงเหมือนในหลวงเหมือนรอเก้ารอเก้าที่จริงพระองค์อยากพูดว่าเศรษฐกิจเชิงพุทธแต่ถ้าพูดว่าเศรษฐกิจเชิงพุทธมันก็ได้แต่ชาวพุทธเรางานชาติอื่นภาษาอื่นเขาไม่ได้เขาไม่ยอมเขาไม่นับถือพุทธศาสนา พระ อ, องค์ก็มีปัญญาเฉยไปมีความฉลาดมีพระปัญญาเฉยะยานของพระ อ, องค์เหมือนกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละหลวงตาก็เอาธรรมะไปแนะนำสั่งสอนอีกนั่นสั่งสอนให้คนรู้ประหยัดรู้จักประหยัดมัธยัติยาใช้นี่อย่ า, ากูน้นี่ยืมสินพระลุงพระหลังฝังทุกเข้าสู่จิตใจของตนเอง ทุกวันนี้คนทําแข่งกันสร้างบ้านสร้างอะไรก็สร้างแข่งกันกู้เงินนี้กู้นี่กู้สินมาก็แข่งกันมีทุกเต็มหัวใจนั่นแหละไม่สนใจไม่รู้จักว่าจะของสร้างตั้งแต่ความทุกข์เข้าสู่จิตใจของตนเอง เนี่ยพราะหลวงตาท่านได้ไปออกไปหาประกาศศาสนาเรียกว่าเอานำศีล น, นำธรรมไปสอนประชาชนพุทธบริษัทซึ่งเป็นชาวพุทธให้รู้จกักอจักธรรมคนก็บางคนก็ไม่เข้าใจว่าท่านไปรีดไปไถไปขูดไปเก่าไปหาเลือดกับปูกับอะไรบ้างอย่างนั้นก็มีก็แล้วแต่เขาจะพูดจะวิพากวิจาร์ไป เพราะเพราะหลวงองค์หลวงตาท่านก็เคยพูดเราออกมาช่วยชาติมีได้มีเสียเสียกับได้อันไหนมากกว่ากันท่านพิจารณาแล้วท่านว่าได้มากกว่าเสียน้อยพระงง อ, อ, องค์จึงได้ออกมาทําอย่างนี้นั่นได้ออกมาทําลวและได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอย่างนี้ใครจะมาแก้ไขประเทศชาติบ้านเมือง ท่านพิจไปหาพิจารณาหาคนจะมาช่วยพิจารณาไปหาใครก็เข้ามาหาท่านหมดนั่นพิจารณาไปหาใครก็ไปเข้ามาหาท่านหมดแม้องค์พระม่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าของพวกเราท่านพูดให้ฟังลุงตาพูดให้ฟังเราไปกราบท่านเทกุติก็บน่นเอารอเก้าก็บ่นบ้านเมืองเป็นอย่างนี้หลวงตาบัวจะแก้ไขอย่างไรบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ หลวงตาบัวจะทําอย่างไรนะีก็บนโดยอย่างนั้นก่อนที่ท่านจะไปเปิดโครงการช่วยชาติท่านพูดในเราฟังท่านบอกว่าเราจะลงกรุงเทพไปเปิดโครงการช่วยชาติ12เมษานั่นแหละท่านพูดอย่างนั้นในหลวงก็บาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ อ, องค์ก็บ่นว่าเราจะทําอย่างไรนะเห็นไหมพอหลวงองหลวงตาไปเปิดโครงการช่วยชาติในหลวงก็เสด็จมากับพระราชินี มาบริจาคทรัพย์สมบัตินะ่เข้าโครงการช่วยชาตินะั่นเป็นแบบเป็นอย่างเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนชาวไทยเราแม้แต่อย่างอื่นพระองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างกับประชาชนญาติโยมนะเข้าวัดเข้าว่าไปหาครูบาอาจารย์นี้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนั่งคารอยู่กับพระนทางหน้าคุน น, น, นั่นแหละมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับครูบาอาจารย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอก้าของพวกเรานี้เป็นแบบอย่างให้แก่โลกได้มากเลยทีเดียวนั่นแหละเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนั่นนี่แหละพระ อ, องค์จริงของราชอยู่มาด้วยความราบรื่นดีงามชนะ อาริลาสตุูทั้งหมดนั่นใครจะมาปวงร้ายประทุสลายก็พ่ายต่อบา ร, รมีของพระองค์ทั้งหมดบา ร, รมีของพระองค์เหมือนดังขุนเขาสร้างมามากมายนี้เป็นอย่างนั้นนี่แหละคนมีบา ร, รมีมาเป็นอะไรมันก็ยีหลังถาวรยั่งยืนนี่ให้พวกเราทั้งหลายได้พากันสร้างพากันบวกพืชปฏิบัติบำเพ็ญอย่าพากันประมาทนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราทำแล้วจะเป็นสมบัติของเราทั้งนั้นแหละไม่ว่าทานก็ตามเราถวายครูบาอาจารย์ไปท่านเป็นผู้มีพ่านรับแทนเท่านั้นเองทำหน้าที่แทนรับเงินรับทองจากเราด้วยความซื่อสัตย์คือมีความบริรสุทธิ์ในศีลอย่างน้อยท่านก็มีศีลเป็นพื้นฐานมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีมีศีลเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องรับรองความ ความบริสุทธิ์นั่นแหละเนี่ยสำหรับองค์ถึงขั้นต่อไปองค์ที่ท่านภาวนาท่านก็มีภาวนาและองค์นี่ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานท่านก็มีคุณธรรมมีความบริสุทธิ์ใจในจิตใจของท่านนั่นเอ่อด้วยเอ่ก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นยิ่งใหญ่ต่อจิตใจของพวกเรานั่นแหละบุญนี่ก็คือความสุขของใจนั่นแหละไม่ใช่อะไร เราจะให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามจเจริญเมตตาภาวนายิ่งเป็นการสําคัญเราก็เป็นเพื่อจะสร้างความสุขเข้าสู่จิตใ จ, จของตนเองเรียกว่าเราเติมความสุขเข้าสู่ใจเข้าใจไหมเนยเนี่ยเราให้ทําบุญให้ทานเติมความสุขอย่างไรเนเราทําบุญให้ทานกับครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามที่เรามีความเคารพเลื่อมใสเนี่ย ให้เท่าให้ท่านเท่าไหร่ก็ไม่พอดัองเราไปกราบหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาพระมหาบัวของพวกเรามีอะไรก็พวกเราก็อยากให้ท่านอยากทําบุญให้ทานทานก็ไม่อิ่มไม่พอไปวันนี้แล้วก็อยากไปอีกมีเงินมีทองก็อยากไปถวายท่านอีกอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังได้กราบได้ไหว้ เพื่อเป็นขวัญตาขวัญใจเป็นสิริมงคลต่อจิตใจของตนเองนั้นแหะเนี่ยเรียกว่านั้นแหละเราอยากให้พอให้ท่านท่านรับของเราเราก็ดีใจมีความสุขใจนั่นแหล ะ, ะดีใจนี่แหละผลของความดีใจนี่แหละเรารักษาเรื่อยเราทำไปเรื่อยต่อไปจิตใจของเราก็จะดีขึ้นมางา น, นจิตใจของเราก็จะดีขึ้นมาดีขึ้นมาจากความดีใจของพวกเรา เนี่ยดีใจก็เกิดความสุขขึ้นมานั่นความสุขนั่นแหละท่านก็ว่าเป็นบุญอีกล่ะนั่นเป็นบุญนั่นภาษาไทยก็แปลว่าบุญภาษาบาลีแปลว่าความสุขนั่นแปลว่าบุญน่นภาษาบาลีว่าท่านว่าบุญภาษาไทยก็แปลว่าความสุขเนี่ยที่เกิดขึ้นจากที่พวกเราทั้งหลายได้ให้ทาน ได้รักษาศีลเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงใอ้เว้นจากการกระทำความไม่ดีเรียกว่ารักษาข้อห้ามแล้วแหละเอก็แล้วไปภาวนาก็ให้เกิดความสุขขึ้นมานัดใจสงบใจมีความสุขขึ้นมาสงบนิดหน่อยๆก็มีความสุขนิดๆหน่อยๆบุญก็เกิดนิดๆหน่อยๆน่ะ ความสุขนี่แหละท่านเรียกว่าบุญน <c oughs> <c oughs> ะบุญนี้ก็เป็นที่พึ่งทางใจนะไม่ใช่ว่าตายแล้วถึงจะมาที่พึ่งถึงจะมีความสุขเอายกตัวอย่างเราภาวนาวันนี้จิตแต่ถ้าใจของไครก็ตามได้เกิดความสงบขึ้นมาด้วยบทของธรรมที่เรานํามาบริกรรมพอใจสงบขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็ความสุขก็เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะ่ะ บุญเกิดขึ้นมาในใจถ้าเรารักษาใจของเราให้มีความสงบอยู่ทั้งวันเหลืออยู่จนถึงวันเราสิ้นลมเราใจเราก็มีบุญรักษาเนี่ยมีบุญรักษาอยู่ในใจิตใจของเราใจก็มีความสุขอยู่ตลอดไปนะั่นไม่ใช่ตายแล้วจึงจะได้นะบุญเราได้ตั้งแต่ที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละ เนี่ยบุญก็อยู่ที่ใจรักษาจิตใจของพวกเราตายไปก็ทำโมหเวรลัติธรรมะเจลิงทคือความบุญคือความสุขคือธรรมนี่แหละก็รักษาจิตใจของพวกเราไม่ตกไปในโลกที่ชั่วนเห็นไหมไม่เหมือนบาปบาปนี้ทำลายใจเราสร้างขึ้นมาแล้วใจเป็นทุกข์หนักเห็นไหม เราสร้างขึ้นมาแล้วใจเป็นทุกข์เวลาอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็รังควานเราตลอดไปเป็นทุกข์ตลอดไปดังบาลีว่าจิตเดชสรกิริเททุกคติอติกังขาเมื่อจิตเป็นทุกข์ทุกขคติเป็นที่หวังนั่นตายแล้วก็ไปทางต่ำไปอวัยภูมิไปสวยทุกข์น่เห็นไหมมันมันก็ มันก็เป็นอยู่ตั้งแต่ยังไม่ตายคำว่าเสวยบาปเสวยบุญก็ดีไม่ใช่ตายแล้วจึงจะไปเสวยนะให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจไม่ใช่ทรรมชาตินี้บุญจะได้ชาติหน้าอันนั้นเป็นคำหลอกกันเฉยเฉยเป็นคำหลอกกันบุญทรรมชาติใดทาเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นขอให้มันเกิดขึ้นมาม่ะมันยังไม่เกิดก็ทาจนมันเกิดขึ้นมา ในจิตใจของพวกเราเนี่แหละครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านพาธรรมมาแล้วดังนั้นทำจนเกิด น, นสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ทำเอาตั้งแต่พระองค์ยังมีพระชนอยู่นั่นได้มรรคผลนิพพานได้เป็นพระศาสดาได้ให้บรมมข หรืออมตะแขเอเแห่งธรรมธรรมซึ่งเป็นอมตะก็ได้ตั้งแต่อย่างทรงพระชนอยู่พอปรินิพานแล้วพระองค์ก็ไปเสวยนะั่ไม่ได้ไปสร้างตอนที่ท่านพระองค์ท่านสิ้นแต่ท่านปรินิพานแล้วแล้วก็สอนสาวกก็เหมือนกันก็ท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุมรรคผลนิพานตั้งแต่อย่างมีชีวิตอยู่นะ่เอ ท่านได้บรมังสุขขังตั้งแต่อย่างมีชีวิตอยู่บรมสุขตั้งแต่ย่างมีชีวิตอยู่นะไม่ใช่ตายแล้วถึงได้จะเป็นพระอะไรก็ตามพระโสดาสกิทาคาอาณาคาอารักอารหันก็ตามท่านได้ตั้งแต่ท่านยั ง, งทรงธาตทรงขันอยู่ตลอดถึงถึ ง, ถงปัจจุบันกุมบาอาจารย์ของพวกเราที่เราได้ เคารพกราบไหว้มีชื่อเสียงเรีองนามท่านก็ได้สิ่งเหล่านี้ท่านก็ได้ตั้งแต่อย่างมีชีวิตท่านอยู่นะเห็นไหมไม่และท่านก็มีสิ่งเหล่านี้ในใจของท่านตั้งแต่อย่างมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ท่านตายแล้วบุญกุศลที่ทำจึงจะวิ่งเข้ามาในหัวใจของท่านนะให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจอย่าให้คนหลอกพวกเราอย่าให้คนโง่ พวกเราก็โง่คนก็โง่เหมือนกันมาหรอกก็เชื่อไปตามเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเขานั่นแหละเป็นอย่างนั้นให้เรามีหลักมีเกณฑ์เราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์บุญเป็นตัวอย่างไรบุญนั้นไม่มีตัวมีตนหรอกหรือว่ามีก็ได้บาปก็มีตัวมีตนก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าว่าตัวใหญ่ขนาดไหนถ้าว่ามีตัว ก็เท่าตัวเรานี่แหละบุญก็ดีบาปก็ดีนั่นอืถ้าว่าเป็นไม่มีตัวมีตนก็บุญเป็นแค่ความรู้สึกว่าสุขเท่านั้นเองบาปเป็นความรู้สึกว่าทุกข์อะไรเป็นตัวรู้สึกว่าทุกข์ว่าสุขก็คือหัวใจนั่นแหละเป็นปืนผู้มีความรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์ไม่ใช่อะไรเป็นตัวรู้สึกนั่นแหละหัวใจอยู่ที่ไหน้ หัวใจก็ที่เราสมมติเรียกกันวา่าถือกันว่าใจก็อยู่ท่ามกลางอกนี่แหละเราก็ว่ายตรงนี้ไม่มีตัวมีตนหรอกเป็นสักแต่ว่ารู้อยู่ในร่างกายของเราแต่ละคนนี่แหละตัวรู้นี่ไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีหญิงไม่มีชายนั่นแหละตัวรู้นี่เป็นสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองนน ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเพศไม่มีวัยตัวรูไาาไ้ไม่มีป่าชาา้าตายไม่เป็นนั่นแหละไม่มีป่าช้าเผาไม่มีป่าช้าฝังตัวรู้นั่นแหละคำว่าตัวรูน้นี่ก็อยู่ในหัวอยู่ในร่างกายของพวกเราแต่ตัวรู้นี่ต้องการความสุขการังเกียจความทุกข์ด้วยกันจะเป็นตัวรู้ของผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม ตัวรู้นี่ต้องการความสุขรังเกียจความทุกข์นะัเราทุกคนนั่งอยู่นี้ก็เหมือนกันต้องการความสุขรังเกียจความทุกข์เราแต่ละวันเราตื่นตา ม, มาเช้าเราวิ่งหาตั้งแต่ให้วิ่งหาแต่ความสุขด้วยกันนั่นะทำงานทําการก็าต้องการได้สิ่งตอบแทนมาเพื่อให้เป็นความสุขนะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายโคตรแท่ของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหาความสุขเหมือนกันแต่ส่วนมากก็ผิดหวังไปผิดหวังไปเพราะยําปิดฉังนรปติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งไหนไม่สมหวังก็เป็นความทุกข์ปรารถนาอะไรไม่สมหวังปรารถนาไม่อยากเก็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายนานไม่อยากพัดไม่อยากภาคเนี่ย แต่เราก็ไม่สมหวังสักคนพ่อเปโคตรพอ่อโคตรแม่เราก็ดีบรรพระบุรุษของพวกเราก็ไม่เหมือนกันแหละก็ดีไม่มีใครสมหวังสักคนมีแต่ผิดหวังไปผิดหวังไปตายไปตายไ ป, ยไปนั่นแหละตัวของพวกเราก็จะเป็นเช่นเดียวกันน่นะจะไม่สมหวังไปนะเราปรารถนาไม่อยากแก่มันก็แก่ขึ้นมาไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากแต่ ไม่อยากจะตายถึงเวลาแล้วมันก็จะตายเพราะร่างกายนี้เป็นของตายนะ่ะไม่ใช่เป็นของกิรังทาวรเป็นของอยู่ได้ชั่วระยะกาลแล้วก็แตกก็สลายเรียกว่าตายนะ่ะแต่ตัวใจนี้ไม่ตายน่ะตัวใจนี้ไม่ตายตัวใจนี้จะไปที่ใดอีก เราทำอย่างไรถึงจะทราบน่นพระพุทธเจ้าสอนพวกเราไว้แล้วน่นว่าใจนี้ไม่ตายใจนี้ไปสมบุกสมบันใจนี้ต้องไปแก่ไปเกิดไปแก่ไปเก็บไปใตายอีกไปต้องไปเกิดอีกในภพภูมิต่างๆเกิดตายตายเกิดดูอย่างนั้นและไปเกิดได้อย่างไรนี่นี่พระพุทธเจ้าทําไมพระองค์รู้จักนี และพระ อ, องค์ไม่ได้สอนวิธีการหาสิ่งเหล่านี้บ้างไหมให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติบ้บางหรือเปล่าเรอเราเป็นลูกชาวพุทธพระ อ, องค์สอนไว้ประสองพันหกร้อยปีกว่ามาแล้วทุกคนให้เราทุกคนได้ค้นหาว่าร่างกายนี้ คนเราเกิดมาแล้วมีเก็บมีแก่มีเก็บมีมีเก็บมีมีเกิดมีตายมีทุกขมีลําบากนั่นสถานที่ไม่เกิดไม่ตายมีหรือเปล่าพระองค์ก็หามาจนเจอแล้วพระองค์ได้อุปมาอุปไมตตั้งแต่เป็นเจ้าชายทิฏฐะว่าสมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายถ้ามีเกิด ก็ต้องมีที่ไม่เกิดมีตายก็ต้องมีที่ไม่ตายก็เป็นอุปมาอุปไมเเกิดขึ้นตั้งแต่พระองค์ยังครองราชเป็นเจ้าชายาธิรทาอยู่พระองค์จึงได้เสด็จออกเหมือนกังมือกังวันก็ต้องมีกลังคืนเป็นของคู่กันมีร้อนก็ต้องมีหนาวเป็นของคู่กันมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดนั่นพระองค์จึงได้เสด็จออกทรงพระนวดพิเนตรกมมาส่อแสวงหาจึงได้ตรัสรู้ธรรมคือมารู้ธรรมชาติเหล่านี้แหละนั่น แล้วก็สอนพวกเราไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ค้นหาเหมือนกันเพราะเราทุกคนก็เป็นตัวเกิดตัวตายเช่นเดียวกันสอนให้พวกเราเนี่ยหาออออสอนหาแบบไหนถ้าพูดไปกว้างก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานะถ้าพูดมาแคบก็คือนั่งสมาธิภาวนาเนี่ เพราะมันอยู่กับตัวเราแล้วทีนี่การนั่งสมาธิภาวนาเอาอะไรนั่งละ่ะเอาร่างกายเรานี่แหละนั่งเอาก้นเรานี่แหละนั่งสมาธิขาเรานี่แหละขดคูบันลังนั่นแหละนั่งเป็นสมาธิขึ้นมานะเป็อย่างนั้นนั่งท่าทางแช่ท่าสงบใหจเยี่ยมนั่งท่าไหนก็ได้แต่ส่วนมาก ครูบาอาจารย์ท่านภาวนาท่านท่านจะเอากิ่งเอาจังแล้วท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายถ้านั่งพับเพียบ ม, มันจะปวดข้างเดียวมันนั่งไม่ได้นานมันปวดฝั่งทางฝั่งเดียวเออมันก็พลิกหน้าพลิกหลังไปจิตใจเราก็มากังวลแต่เรื่องร่างกายพอใจมากังวลทั้งแต่เรื่องข่างกายเป็นทุกข์เป็นร้อนใจก็ไม่เป็นเอกอะไม่เป็นเอกนั่น เรานั่งก็มาวุ่นวายกับเรื่องร่างกายมันเรียกว่าเราไม่นั่งดูใจเราจะมาวุ่นวายกับเรื่องร่างกายพระพุทธเจ้าสอนพวกเราหรือครูบาอาจารย์นำมาจากนําพระโอวาทของพระเจ้ามาแนะนําสั่งสอนก็ว่าให้พวกเราได้ดูใจตนเองนะเราก็จะมาดูตั้งแต่เรื่องร่างกายนะมาสนใจแต่เรื่องร่างกายไม่สนใจเรื่องหัวใจของตนเองนี้แหละ เดี๋ยวท่านว่าให้ภาวนาให้ภาวนาในจิตก็ต้องให้ทํางานให้มีงานทำนะถ้าจิตไม่มีงานทําแล้วมันมันไม่ได้คิดทำไม่คิดอย่างหนึ่งมันก็ต้องคิดอย่างหนึ่งอ่าไม่คิดได้ได้คิดดีมันก็ไปคิดชั่วส่วนมากก็ไปคิดชั่วแม้แต่บังคับให้มันคิดซึ่งเรื่องดีมันก็ยังไปคิดทางไม่ดีนั่นแหละจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้คําว่าจิตนี้เป็นตัวคิดตัวปุ่ม อยู่ในจิตใจของพวกเรานี่แหละนะแล้วทีนี้ให้เราบังคับให้จิตของเรานี่ทำงานทำงานอะไรเราทุกคนต้องการความต้องการความเป็นธรรมเราเข้าวัดเข้าวาต้องการความเป็นธรรมมาฟังอัดฟังธรรมก็ต้องการความเป็นธรรมเราปฏิบัติธรรมก็เพื่อความเป็นธรรมะทุกคนเรามาหาความเป็นธรรม ทีนี้เราก็ต้องคิดให้เป็นธรรมซะก่อนจิตใจของพวกเรา <c oughs> <c oughs> คำว่าคิดเป็นธรรมก็มีมากนะธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าแสดงไว้ก็แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มีน้อยมีมากเหมือนกันจนที่สุดที่จะพนา น, าน ได้จบนั่นเ <c oughs> ีกรรมฐานพระองค์ก็แสดงไหมว่าสี่สิบห้องน่ะเห็นไหก็มีมากเหมือนกันทีนี้พระองค์ว่ารู้มากก็ยากเป็นเนี้ให้พยายามจับน้อยรู้น้อยมาลงมาอืมจับน้อยลงมาเออจับน้อยลงมาเราชอบอะไร เราลองนึกดูในใจเราก็ได้กาหนดดูในอาการต่างๆเรานั่งภาวนาเริ่มแรกขนไม่เคยภาวนาห้ hey, เอาลกตัวอย่างเราจะบริกรรมผมผมเราก็ทำความรู้สึกไว้ที่ผมหรือ <c oughs> เราจะบริกรรมขนข น, ขนเราก็ทำความรู้สึกไว้ที่ขนของเราจุดไหนที่เรามองนึกได้ว่ามีขน หรือเราจะบริกรรม <c oughs> เล็บเล็บเราก็ทำความรู้อยู่กับเล็บ <c oughs> หรือฝันฝันเราก็ทำความรู้อยู่กับฝันหรือหนังหนังหนังเนี่ย <c oughs> เราก็ทาความรู้ไว้ที่ห่ง <c oughs> จุดไหนก็ได้ในส่วนของร่างกายเราย <c oughs> <c oughs> จนตลอดถึงอาการสามสิบสองหรือเราตัวจับได้แล้วก็จับพะเราดูแล้วมันโลง่งมันโล่งใจมันมีความสะดวกในใจของเราเราก็จับไว้ให้ดีจับไว้อย่าอย่าให้กิจนี้ ยับไปตรงโน้นยับไปตรงนี้สติต้องระวังกิจใจของพวกเราแต่ละคนนะเอสติเป็นผู้คุมเป็นนายคุมอย่าให้กิจนี้ทะเลทลายไปอย่างอื่นอย่าให้กิจนี้คิดยับไปทางโน้นยับไปทางนี้นะให้กิจนี้พยายามบังคับไม่รู้อยู่จุดเดียวเท่านั้นแหละอย่างอื่นเหมือนไม่มี โน้ยกันนี้จะกว้างจะใหญ่อะไรอะไรก็ตามงานการทุกสิ่งทุกอย่างเราปล่อยวางให้หมด ừ, เราอย่าไปให้ให้กิจเนีไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการงานอะไรก็ตามเราปล่อยให้หมดแม้แต่อดีตอนาคตก็ตามเราปล่อยวางให้หมดดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราปล่อยทิ้งให้หมดนั้นไม่เคยทำ เคยดีมาแล้วก็ตามแต่ตอนนี้มันยังไม่ดีเราจะทำให้มันดีนะเราจะทาให้มันดีเรียกว่าเป็น อ, ด, อดีตอดีตดังนานวากเมยยะนาปฏิกังแข่นากระตังอดีตล่วงมาแล้วก็ตามอนาคตยังมาไม่ถึงก็ตามอย่าไปคาดอย่าไปหมายอย่าไปเอามาคิด ป, ป, ปัจจุบันนังจะโยทำมังใ ห, ให้อยู่ในวงปัจจุบัน ใครเอามาคิดเรื่องอดีตอนาคตนั้นคือสมบัติบ้าใครมาคิดแล้วคนนั้นเป็นบ้านั่นแหละบ้าความคิดบ้าสังขารบ้าสัญญาบ้าปรุงบ้าแต่งปรุงของเก่ า, กาของทิท้งไปแล้วทั้งทั้งที่ว่าคิดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะมันผ่านไปแล้วจะให้กลับขึ้นมาเป็นปัจจุบันก็ไม่ได้นั่นยังมาไม่ถึงก็เหมือนกันไม่ใช่ปัจจุบันมโนคือความน้อมนึก เ, เราลึก อ, อะไรไว้กรรมมโยนี้กรรมมัพันธุกรรมมัปฏิสระโนเราจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราพยายามนึกแต่สิ่งที่ดีแต่ส่วนมากกุบาจารย์ของพวกเราท่านได้ผลนะท่านได้ผลกันท่านกรรมฐานภาวนาพุทโธตามด้วยลมเข้าตามลมออกนี้จะได้ผลมากนั่นะได้ผลมากถูกเก็บกับกระิตนิสัย ของผู้ปฏิบัติมากนะดูลมเข้ายับพุทธที่ปลายจมูกลมออกโทยับโหที่ปลายจมูกไม่ส่งใจไปที่อื่นและไม่ตามลมเข้าตามลมออกให้ทำเหมือนคนยามเฝ้าประตูโรงงานบริษัทนี่แหละวริน้อย่างนี้แหละอยู่เป็นจุดเดียวคนเข้ารู้คนออกรู้แบบไม่ตามเข้าตามออกนั่นแหละ <c oughs> เข้าสั้นก็รู้เข้ายาวก็รู้แต่อย่าตามถ้าเราไปตามลมเข้าตามลมออกเรานั่งไปพอนานเข้านานเข้าอารจิตมีความละเอียดตัวจะโยกเหมือนคนนั่งสบงบขนละโยกงโยกไปโยกมาเพราะจิตมันหลงไม่ได้มันอยู่กับลมเข้าลมออกมันวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนั้นมันไม่นิ่งคนเราถ้า คนจะนอนหลับมันต้องนิ่งซะก่อนไงมันต้องนิ่งซะก่อนมันถึงหลับจิตจะสงบก็ต้องนิ่งซะก่อนมันถึงสงบไปได้นั่นแหละนิ่งได้ที่แล้วบริกรรมพุทโธนิ่งได้ที่แล้วมันก็สงบตัวของมันมานใจใจก็ได้รับความสงบร่มเย็นขึ้นมาเพราะใจได้กินพุทโธใจได้กินพุทโธใจได้กินอาหารที่ดีแต่ก่อนมันไม่เคยได้กินอาหารที่ดีได้กินแต่ของแสลง นั่นได้กินแต่ของที่ไม่ดีกินแต่ของที่เป็นทุกข์เป็นภัยเป็นกินกินแต่ของที่เป็นโทษกินอะไรมาก็เดือดร้อนวุ่นวายร้องโหมร้องไห้ก็มีเสีย อ, อกเสียใจนั่นเห็นไหมมันไปกินแด่อย่างนั้นได้ชอบกินด้วยกินไม่ปล่อยไม่วางนั่นนั่นกินอยู่อย่างนั้นแหละจะผ่านไปกี่ปีกี่เดือนก็เอามากินมาคิดนั่นคำว่ากินคือคิด มาปวงมาแต่งอย่างนั้นไม่รู้จักปล่อยจากวางนี่แหละคนเรามันโง่อย่างนั้นมามนุษย์เราโง่อย่างนั้นแหละมาคิดตั้งคิดเป็นแต่เรื่องที่เป็นทุกข์เรื่องจะทําให้เกิดความสุขใจมีความสุขในหัวใจนั้นไม่คิดหรือคิดไม่เป็นครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเท่าไหร่มันก็เอาไม่เป็นแก้ไขตนเองไม่เป็นเพราะอํานาจของกิเลสมีกําลังมาก คัดค้านในจิตใจของพวกเราต้านทานท่านการคําว่าทำไม่เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเรานั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามพวกเราเชื่อต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อต่อครูต่ออาจารย์ของพวกเราทุกยากลํำบากก็ตามครูบาอาจารย์ของพวกเราทํามาแล้วท่านทําได้เป็นสิ่งที่ทําได้เราก็พยายามฝ่าฝืนพยายามอดทนพยายามต่อสู้นั่นแหละ ทำทำเป็นแบบลูกศิษย์ที่มีครูเวลาเรารู้เราก็รู้เหมือนอาจารย์ที่รู้เป็นมาเห็นมานั่นแหละถ้าจิตใจของพวกเราได้จินพุโทโธต่อเนื่องต่อเนื่องไปเอา้าไม่หยุดไม่ถอยใจเอาโมรานว่าจิตเหมือนเปรตเหมือนผีจินไม่รู้จักอิ่มได้ไม่รู้จักพอปากเข้ารูเข็มท้องเข้าภูเขาจินไม่รู้จักอิ่มไม่อิ่มต่ออารมณ์ น่ะเห็นไหมนี่หลจินอยู่อย่างนั้นชิดปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นทีนี้เรามันไม่อิ่มไม่พอก็ตามเถอะเราจะให้มันจินสิ่งที่ดีให้มันจินแต่สิ่งที่ดีนะจินอาหารที่ดีคือพุทโธธรรมโมสังโกมันจะอิ่มแลยไม่อิ่มก็ชัางหัวมันจะกินอยู่อย่างนั้นแหละมีหน้าที่กินอย่างเดียวอาหารที่ดีอาหารออื่นเราจะพยายามตัดออกตัดออกตัดตระตตระพิันดิเน ตัดออกนั้นไม่ใช่ทางนะในธรรมจักที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ตัดออกนั้นไม่ใช่ทางเราจะพยายามตัดออกจากหัวใจของพวกเรานะ <c oughs> แล้วก็ให้กินแต่พุทโธพุทโธพุทโธเราทีแรกมันก็ไม่มีอะไรมันเหมือนมันไม่มีประโยชน์ะพุทโธนึกไปเหมือนไม่มีประโยชน์นะพอเรานึกไปเรื่อยนึกไปเรื่อยไล่หลเข้าไปลหล่ไหลเข้าไปจิตก็ค่อย ดีขึ้นดีขึ้นบริกรรมพุทธก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตก็ค่อยสติก็ค่อยเด่นขึ้นมานะใจก็ค่อยเด่นขึ้นมาแต่ก่อนใจเคยไม่เคยทรงตัวได้เฮ้เหมือนนุ่นต้นลมอยู่บนอากาศเลยเอีงเอียงอยู่นั้นแล้วลมพัดไปทางไหนนุ่นไปทางนั้ น, ล น, นกลับไปกลับมาอย่างนุ่นปั่นหัวอยู่านั้นเลยไปมันจะมันนิ่งไม่ได้ไม่มีหลักยึดนั่นเป็นอย่างนั้นอ ทนี้พอเอาพุทธโธมาเป็นหลักยึดมาเป็นที่เกาะนุ่นเกาะลมนี่นุ่ น, นเกาะหินไม่ออกจากหินนี้อ้าวทีนี้มันก็มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาสติก็เด่นขึ้นมาแน่นหนามั่นคงขึ้นมาใจก็มีความเด่นขึ้นมาแน่นหนามั่นคงขึ้นมาไม่วอกแวกคอนแขนตั้งได้รู้สึกว่ามีความนิ่ง และมีความเบามีความเย็นขึ้นมาในร่างกายในจิต ใ, ใจของพวกเรากายก็เหมือนเย็นไปด้วยนะจิตใจก็เย็นกายเหมือนเย็นใจเบาจะกายก็เหมือนเบาไปด้วยนั่งภาวนาใหม่ใหม่บางวันเหมือนไม่ได้นั่งเหมือนเหมือนไม่เหมือนก้นไม่แต่พื้นก็มีมันเป็นบางวันหรอกอืมไม่ใช่เป็นทุกวันนั่นแหละมันเบานั่นแหละจากการบริกรรมถ้าเราทำใจเราถูกมันจะเบานะ Hey, เราปล่อยวางปล่อยวางความรู้สึกปล่อยวางเรื่องอดีตอนาคตปล่อยวางแม้แต่ขนาดนั่งนิ่ปล่อยวางทั้งแม้แต่ข้างกายเหมือนไม่มีมีแต่ตัวรู้นึกพุโธพุโธอย่าไปสําคัญว่ามีกายนั่นแหละถ้าเราไปสําคัญว่ามีกายอยู่มันก็นั่งไปมันก็ไม่ได้นานมันก็ปวดนั่นแต่นั่งไปมันก็ปวดมันไม่มันไม่ไมไมปล่อยไม่วางกันมันไม่เบา น, นี่นแหละและเราก็บริกรรมไปเรื่อยเป็นอะไรก็ตามไม่ยินดียินไล่นั่น เราเกาะพุทธโธอย่างเดียวนะ เ, เราเนีย่ยมันจะเป็นอะไรจะมีความสุขจะมีความสบายจะเมาจะอะไรก็ตามอันนั้นเป็นอาการอหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติภาวนาเราก็ไม่ต้องมายินดียินได้นะเราก็บริกรรมพุทธโธขงเราไปนะั่นแหละไม่เผล อ, อจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นอะไรก็ตามเป็นความเย็นความสุขสุขเวทนาทุกขเวทน า, ทขขนาก็ตามที่เกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติภาวนา มันก็เหมือนเหมือนเกี่ยวคลนะื่นในมหาสมุทรนะเหมือนคลื่นในมหาสมุทรนั่นเรานี่ก็เหมือนเป็นผู้ประคองเรือนะพุทโธอย่าทิ้งใครภาวนาจะถ้าคนไหนทิ้งพุทโธคนนั้นเป็นบ้านั่นแะหละให้เกาะพุทโธอย่างเดียวมีสตินั่นแะหละมีสติประคองเรือบรนะิกรรมพุทโธนะเอาไป คือคือประคองเรือคือประคองใจของเราน ะ, นะมีสติประคองใจเราไปให้ถึงฝั่งให้ถึงจุดหมายปลายทางน ะ, นะถ้าเราประคองไม่ดีแล้วมันก็โดนคลื่นซัดไปทางอื่นซะหรือว่าจมน้าตายก็ไดไ้จิตก็ออกจากทางออกจากโอกออกจากทางไปก็ทำไปรู้ต่างๆเห็นต่างๆเกิดความรู้อย่างนั้นเป็นปนี้เป็นบ้าเป็นบอมาก็มีนี่แหละมันซัด ขึ้นซัดหนีจากทางหลงทางไปห ล, ลงทางหลวงทิศหลงทางไปคือเราทิ้งพุทธโธเราไม่ประคองเหลือคือไม่ประคองพุทธโธพุทธโธของเราเข้าไปจะเป็นอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามเราให้จับพุทธโธให้ดีอย่าปล่อยบริกรรมพุทธโธเข้าไปจนบริกรรมไม่ได้นั่นแหละคําว่าบริกรรมไม่ได้จิตมันปล่อยคําบริกรรมทนี้ลาหลักครูบาอาจารย์พวกเราท่านสอนว่านี่คือใจสงบมันอิ่มพุทธโธแล้ว นั่นมันไม่กินอีกมันไม่เอาจะให้คิดอะไรมันก็ไม่คิดนั่นจะให้คิดพุทโธมันก็ไม่คิดคิดไม่ได้มันไม่คิดมันไม่เอาจะให้คิดชั่วก็ไม่คิดจะให้คิดดีก็ไม่คิดมันพอแล้วมันไม่คิดมันอิ่มตัวของมันเรียกว่าจิตพักตัวจิตอิ่มตัวจิตสงบนั่นเห็นมนั่นแหละมันถึงเวลาอิ่มของมันพอจิตสงบแล้วนั่นแหละความสุข ตั้งแต่ก่อนเราคิดว่าความสุขจะอยู่กับวัตถุข้าวของเงินทองเฮมีบ้านอยู่ร่ำรวละหลามีรถขี่คันงามมีมีเงินมีทองเยอะๆเราจะมีความสุขมีที่ไล่ที่นาที่ดินที่ดอนเยอะเราจะมีความสุขมันไม่มีความสุขนะบางทีตายแล้ววุ่นวายเป็นทุกข์ลูกฆ่ากันก็มีบางตระกูลเห็นไหมอย่างเห็นในตำราห้างตระกูลห้างทองฆ่ากันมากี่ชั่วโคตรแล้วเพราะความว่ามีว่ามีน่ละฆ่ากัน ดำเนอย่างั้นแหละอันนี้เรายกไม่ใช่ว่ายกเพื่อซ้ําเติมเรามายกเป็นทิฏฐานวัติเป็นคติเตือนใจให้พวกเราทั้งหลายได้พิจารณากันนั่นแหละมีเงินไม่ใช่วจะมีความสุขไปหมดนั่นถ้าไม่มีศีลเมีธรรมถ้ามีศีลเมีธรรมมีเงินก็มีความสุขไม่มีก็มีความสุขถ้ามีศีลมีธรรมนะดำเนไปอย่างนั้นแหละนั่นนี่แหละทีนี้เราก็มาเห็นความสุขอ๋อความสุขนี่มันอยู่ที่นี่เองเฮมันอยู่ที่ใจนี่เองใจสงบ เราปรับใจของเราให้สงบแต่ก่อน้เราวิ่งหาความสุขวิ่งจนแทบจะล้มจะตายนั่นแหละฮะฮะจนไม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่นหาแต่ความสุขคิดว่าได้มาจะมีความสุขคิดนี่ได้มาจะมีความสุขได้นี้มาจะสะดวกสบายได้อะไรมาก็เป็นภาระทั้งหมดอย่างหลวงปู่อ่อนนเทศว่าตันหากับหาตันมาดูสิ อะไรจะถูกดิอันไอ้อันตันหาก็ถูกของพระพเจ้าเรามาพูดเรื่องหาตันลองดูท่านว่ายกตัวอย่างผู้ชายยังไม่มีลูกมีเมียผู้หญิงยังไม่มีลูกไมีผัวอยากได้คนอยากได้ลูกได้ผัวได้ผัวแล้วก็จะสบายหรอกไปไหนก็จะสบายพอได้ลูกได้ผัวได้เมียแล้วมีเพื่อนมาชวนไปเอ้ยไปโน้นแต่เพื่อนเอ้ยไปเดี๋ยวจะต้องถามเขาเสียก่อนนะัดเห็นไหมนั่นว่าครั้งเขาไม่ให้ไปก็ไม่ได้ไปก็เรียกว่าหามาตันตัวไม่ให้ไปสะดวกทันว่าอย่างนั้นเนี่ย มีบ้านมีเรือนก็จะสบายหรอกวันไหนก็จะสบายพราพอพอมีเรือนมาแล้วก็มีเพื่อนไปชวนเพื่อนไปนวดเออไปไม่ได้ไม่มีใครเฝ้าเรือนอย่างนั้นนั่นเกตณาหาก็หาใจใเกิดความสะดวกสบายกับมาตันตัวเองไว้ให้ไม่ให้ไปสะดวกน่นนว่าลุกอ่อนนั่นว่าหาตันนั่นว่ า, า, น, น, น, วานี้แหละพวกเราก็หามาตันตัวเองไว้ให้ไม่ให้ไปสะดวกทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไไปไหนก็ไม่ได้ ันคขาโน้นขานี้ไม่สะดวกในการไปนั่นแหละเลยหามาตันตัวเด่งไว้ที่เราคิดนะว่าหาจไว้ให้มีความสะดวกมาหาไม้หามาให้มีความสุขความจะเลยกลับไม่มีความสุขนะเลยมาทุกข์กับสมบัติกับสิ่งที่มีเวลาอยู่ก็เป็นทุกข์ในการดูแลรักษาเวลาจะตายไปก็เสียดายไม่อยากแผ่พักรากจากกันไปอีกล่ะนั่นเะป็นอย่างนั้นเนะเรามาหามาเกิดแค่จะของวุ่นวายหามาให้จของทุกข์หนะัก ถ้าเราหาสตกก่อนนั้นมันไม่มีความสุขเลยน่ะความสุขแท้มันอยู่ที่ใจสงบนั่นโอความสุขอยู่ที่ใจสงบนี่เองนี่นีน่มันก็เข้าใจมันก็เข้าใจพอใจสงบปุ๊บมันก็เข้าใจว่าใจกับกายนี้ไม่ใช่อันเดียวกันนั่น เอเวลามีกายอยู่ใจก็อาศัยร่างกายนี่แหละอยู่นะนถ้าใจฉลาดใจก็บงการในร่างกายนี่ไปทำคุณงามความดีแล้วก็นำความสุขเข้ามาสู่ใจนะใจฉลาดได้อะกโลกกรรมอบรมจากธรรมะธรร ม, ะ ร, มะรมโมที่ดีก็ได้รับความสุขเข้ามาบำรุงใจถ้าใจโง่นะก็เอ่ใจนี่แหละจะบงการในร่างกายไปทำผิดศีลผิดธรรมทำความชั่วช้าหลาโมกนั่นแหละ <c oughs> พอใจสงบแล้วทีนี้มันก็เข้าใจว่าใจกับกายนี่เป็นของอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่อันเดียวกันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนะแต่ก่อนนี้เราเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันพอมาสูงแโอ้เป็นคนละอย่างน่ะจิตนี้ยจิตนี้เป็นจิตกายเป็นกายเหมือนเรากับบ้านนู้นเรากับอาคารนี่แหละเราก็เป็นเราอาคารก็เป็นอาคารไม่ใช่อันเดียวกันแต่จําเป็นต้องมีอาคารเป็นที่หลบแดดหลบฝนเป็นที่อยู่นั่น ถ้า ไ, ไม่มีอาคารก็ไม่ hehe, ไมีอะไรทําประโยชน์ไม่ไม่ใช่มา like ทําประโยชน์ artists, ไม่ได้ในสถานที่นี้นี Recently, ้ก็เหมือนกันถ้ามีแต่ใจก็ทําประโยชน์ไม่ได้เพราะไม่มีกายนั่นถ้ามีแต่กายก็ทําประโยชน์ไม่ได้เพราะไม่มีใจเนี่ยเรียกว่าคนตายนี่จสองอย่างนี่จึงเป็นสิ่งอาศัยซึ่งกันและกันนัดกายก็อาศัยใจนัดที่จะทําจะคิดบรุงแต่งให้ทําประโยชน์ทําาควมนําความสุขเข้ามาสู่ใจและทีนี้เนี ตายแล้ว ไ, ได้เกิดหรือเปล่าน่นมันเชื่อขึ้นมา อ, อ๋อมันเพราะร่างกายนี่ถึงมันมันมันถึงเวลามันแก่มันชรามันแตกมันสลายมันตายนั่นแต่ใจตัวรู้นี่ตายเป็นไหมไม่ตายนั่นตัวรู้นี่ไม่ตายตัวรู้นี่จะไปที่ไหนนั่นนี้แหละตัวรู้นี่แหละลลจะเป็นตัวไปเกิดน่นเป็นตัวไปเกิดน่นจะไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่ไหนก็อยู่ที่การกระทําของพวกเราเ ร, าเรียกว่ากรรมน่นกรรมเราทำอะไรไว้บ้าง เ ร, เราทำอะไรกรรมนี่เกิดได้กี่อย่างกายกรรมกรรมเกิดขึ้นจากกายวิจีกรรมกรรมเกิดขึ้นจากคำพูดจากปากมโนกรรมกรรมเกิดเกิดขึ้นจากความคิดนั่นใครคิดอะไรก็ตามใครทำอะไรก็ตามใครพูดอะไรก็ตามมันจะบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ที่ใจนไม่ไปที่ไหนบันทึกไว้ที่ใจใจนี่แหละจะเป็นเหมือนฟิล์มเหมือนฟิล์มหนังนะเหมือนฟิล์มหนังนี่ ใครทำอะไรไว้ที่ไหนถ้าพูดอะไรไว้ที่ไหนก็ตามคิดอะไรไว้ก็ตามมันจะอยู่ในฟิล์มนั่นแหละเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากออกมาเหมือนเราไปดูหนังแต่คนดูหนังเขาจะไม่ดูที่ฟิล์มนะเขาจะดูที่จอแต่รูปออกไปจากฟิล์มเข้าใจไหมอันนี้พวกเรามาเกิดก็มาจากฟิล์มนั มามีสุขมีทุกข์มีธนะประการใดก็ตามมีความลำบากลำบนทางร่างกายหรือไม่มีความสนุกสบายทางร่างกายก็ตามมันก็มาจากฟิล์มในหัวใจของเราเป็นฉากหนึ่งที่เรามารับบทบาทที่เราสร้างเรื่องสร้างราวไว้เรามาแสดงหเราเป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้ก็มาจากหัวใจเรามาจากหัวใจของเราจากฟิล์มที่เรามาแสดงเรียกว่ากรรม เราได้มาเสวยวิบากกรรมว่วิบากการกระทํำของพวกเรานี่แหละกรรมลบไม่ศูนย์คำว่าใครทําแล้วก็ตามเป็นสิ่งที่มีอยู่ลบไม่ได้นั่นแหละลบไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนฟิล์มหนังไม่เหมือนบางอย่างไม่เหมือนซีดีไม่เหมือนเทปนะเราดีลบได้นั่นเราลบได้อาจจะอื่นทับได้แต่นี้ทับไม่ได้ลบไม่ได้ใครทําอะไรก็ตามต้องชดใช้ ทำดีต้องชดใช้ทำไม่ดีต้องชดใช้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นนี่นี่แหละเรามันก็ทราบว่าแล้วทีนี้พอรู้ว่าใจนี้ไม่ตายและใจนี่จะจะเป็นตัวไปเกิดนั่นทีนี้คนคนมันก็รู้จักว่าใจนี่หวังพึ่งความสุขนะทีนี้ความสุขของตัวเองมันยังมีน้อยนั่นมันก็สร้างมันก็ขยันสร้างขึ้นมานั่นก็ขยันทําเอานั่นแหละนักปฏิบัติภาวนาที่ท่านภาวนามีความสงบแล้วนะท่านไม่หยุดอยู่ ท่านจะพยายามทําเพิ่มไปอีกท่านอยากได้ความสุขเพิ่มผูนมากขึ้นกว่านี้อีกเพราะสุกนี้ยังไม่ละเอียดยังต้องการสุขนี้สุกนี้คือความภาคความเพียรท่านก็มีความขยันหมั่นเพียรโดยที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ดูด่ า, า, าว่ากล่าวไม่ได้บอกน่ะไม่เหมือนทีแรกทีแรกก็ท่านก็ต้องดูด่ า, าว่ากล่าวครับเฮ้ยขับครับเฮ้ยขั บ, บให้เข้าประเดินจงกรมไปนั่งสมาธิภาวนาเพราะเรายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรท่านบอกให้ภาวนาวก็ทั้งเฮ้ กลัวจกลัวเป็นกลัวตายกลัวปวดแข้กลวปวดขาไม่รู้จะมีผลหรือเปล่าหรือท่านพูดโกหกนั่งหรือจะมีผลอะไรบ้างหรือเปล่ามันก็ไม่อยากทำนั่นพอจิตใจเริ่มมีความสุขขึ้นมาเออมันก็เริ่มมีความขยันขึ้นมานั่นเราหาเงินหาทองก็เหมือนกันเออเ อ, อ, เ อ, อ อย่างดร์หมูมาทำนี่ทีแรกก็เหมือนกันยังคิดหน้าคิดหลังอย่าจะได้ทุนคืนไหมจะดีไหมหรือไม่ดีเรื่อะไรก็ต้องคิดอยู่เหมือนกันนั่นแหละบางทีก็คิดว่าดีคิดว่าแบบดี้บวกกันไปบวกกันมาคิดว่าดีมากกว่าเลยลงทุนมาทำนะพอเห็นทําแล้วมีรายได้ขึ้นมาก็มีความขยันพอมันมีรายได้ขึ้นมามันได้มากบ้างไล่น้อยบ้างวันนี้ได้น้อยวันพรุ่งนี้ได้มากววันวันวันเมื่อก่อนได้มากวันนี้ได้น้อย มันก็เล้ดีตัวเฉลี่ยกันกบกันไปกบมาก็เฉลี่ยกันแล้วก็เออ ย, ยังมีกําไรตกปีตกเดือนมามันก็มีกําลังใจในการทํางานแน่ก็อยากจะได้มากกว่านี้วิวก็ทําไปเรื่อยทำํำมาอยู่ไม่ถอยเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็นับปั น, นดีขึ้นมาดีขึ้นมาในการปฏิบัติภาวนาก็เหมือนกันวันนี้อาจจะไม่ดีวันนอไปดีวันไหนสลับกันอยู่นั้นแหละเหมือนเราทํามหากินมันก็ค่อยดีขึ้นมาดีขึ้นมาเนีย่ย ควรคุณงามความดีความสุขความเจริญเราทําอยู่เลยมันก็มันก็มีความสุขไปเรื่อยความละเอียดของใจความสุขละเอียดก็ค่อยมีเข้าไปมีเข้าไปตามที่เราพยายาความภาคความเพียรจิตของเราได้ขยับเข้าไปขยับเข้าไปนั้นไปอย่างนั้นนี่แหละมีความสุขแล้วเดบทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนะว่าเราออกมาก็บริกรรมพุทโธเข้าไปเอาแต่พุทโธนั่นแหละให้มีความชํานิชํานาญในการเข้าในการให้ในการสงบในการออกมา จนเกิดความฉนานแล้หลายครั้งเลยนเข้าใจก็เป็นสมาธิขึ้นมามันอิ่มตัวของมันเนี่ยเราก็เราก็พยายามฝึกของเราเนี่ยก็ฝึกของเราปฏิบัติของเราไปอย่างนั้นนี่นี่แหละคุณบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติท่านทําอย่างนั้นท่านทําอย่างต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยท่านรักษาท่านประพฤติปฏิบัติของท่านท่านวันหนึ่งท่านฉลาดท่านฉลาดท่านกล้ากวยทั้งแต่บุญแต่กุศลได้ความสุขเข้าสู่หัวใจของพวกเราพวกของของท่านนะ แต่พวกเรานี้เป็นประเภทใดเป็นลูกศรษฐกูมาอาจารย์เรากลัวกลวยความสุขเขาสูงหัวใจของเราหรือเปล่าวันหนึ่งหรือเราหาตั้งแต่ไฟเมื่อกี้เจ้าของให้สะดุ้งนั่งสะดุ้งนอนสะดุ้งอยู่ยากลําบากใจเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนั้นเราเป็นอย่างไรบ้างเราเป็นลูกชาวพุทธเราพอที่จะมองเห็นแสงของอัดของธรรมบ้างไหมไม่มากก็ยิ้มยับในจิตใจของเราบ้างอย่างพอคาดคะเนได้ว่าทำเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนั้นเป็นอนี้พอมีบ้างในจิตใจของพวกเรา เราพอจะคาคณเยได้บ้างหรือเปล่านั่นเราได้มาเจอเป็นมนุษย์เพราะวุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนามหัสัจจรย์ศาสนาที่เลิศประเสริฐแล ะ, ะสอนสิ่งที่มหัสัจจย์สิ่งที่โลกทั้งหลายไม่รู้เรื่องรู้เล่าไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นได้นำสิ่งเหล่านี้มาประกาศออกมาแนะนำสั่งสอนและสิ่งที่กล่าวมาสอพระองค์มาสอนก็อยู่กับเราทุกคนนะ ไม่ได้หามาจากที่ไหนไปหามาจากโลกนั้นโลกนี้ถึงไหก็หามาจากพวกเราทุกคนนี่แหละอยู่ด้วยกันกับพวกเราทุกคนพวกเรามันหลงเราพระพุทธเจ้าก็มาสอนพวกเราให้รู้เราเข้าใจไหมรู้ว่าเราแก่เราเก็บเราตายรู้แล้วว่าเราเราไม่ได้อะไรร่างกายเราก็ไม่ได้อะไรตายแล้วเราก็ไม่ได้อะไรไปขนเราก็ไม่ได้อะไรไปขนเล็กๆเราก็ไม่ได้ไปผมก็ไม่ได้ไปเล็บฟันเนื้อหนังเอกดูกอะไรทุกสิ่งอย่างไม่ได้ไปเนี่ย เอ้มาสอนพวกเราพวกเราก็ยังรู้ไม่รู้จักนั่นไม่รู้จักไม่สนใจรู้ไม่เรียนรู้นั่นไม่เรียนรู้น่น αι. และตัวเกศนี่ก็ท่านก็กท่านก็บอกว่ามีสิ่งที่ปิดบงังมีสิ่งที่ทําให้เมืด่ดมีสิ่งที่ทําให้เมื่ดนะัสอะไรต่างๆนั่น ท, ทำให้มองไม่เห็นบาปเห็นบุนบญทํำให้ไม่อยากเข้าวัดเขา้ามาทำให้เป็นอย่างนี้ก็มีจิเหลือนี่แหละปิดบงังกิจใจอยู่นั่นผมน ใ, หให้พยายามแก้ออกพยายามชําระออกพยายาม ปฏิบัติขัดเกลียวออกเนี่ยสิ่งตหลนี้เรามาปฏิบัติก็มาขัดเกลีจิตใจของเราที่มันสกปรกเมื่อเราอาบน้ําให้แก่ร่างกายหรือซักผ้าซักแพรพวกเรานี่แหละแล้ก็ใช้น้ำใช้แฟบขยําเหมือนซักมือแต่ก่อนนะี่ยนะแหมปกเสื้อมันดำไปเลยเรก็เทแฟบใส่น้ํำใส่ก็เทแฟบใส่ขย้าอยู่นั่นแหละจนมันขาวทั้งหยดไปนี้ก็เหมือนกันภาวนาก็ขยําจิตใจของเราซักฟอกจิตใจของพวกเราให้มีความสะอาดขึ้นมาให้มีความใสสะอาดขึ้นมาให้มี ให้ใสสาดแล้วก็ให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยการกระทําของพวกเรานะเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาทําแล้วทําเพื่อผู้อื่นนะทำเพื่อพรธเจ้าเพื่อพระธรรมพระสงฆ์เพื่อครูบาอาจารย์ไม่ใช่นะเออจะเป็นการให้ทานก็ไม่ใช่ทําเพื่อท่านรักษาศีลก็ไม่ใช่ทาเพื่อท่านเฮภาวนาก็ไม่ใช่ทำเพื่อท่านาา ท, ทําทเพื่อเราโดยตรงเป็นสมบัติของเราโดยตรงโดยเฉพาะเฉพาะนั้นแหละทีนี้พอจิตใจมีความสงบแล้วศีลได้มีจิตวัดนี่อ๋อศีลนี่ก็เอมีตัวเดียวนั่น ไม่มีมากน่ะที่ว่าห้าว่าแปดว่าสิบว่าสอร้เจ็ดว่าสามรอยสิบเอ็ดนั้นเป็นเป็นข้อห้ามศีลได้มีตัวเดียวนั่นตัวเดียวคือตัวไหนเจตราห้างพิเกเวซี่รังบดาีิดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราว่าตัวเจตมีมีเจตนามีเจตนาตัวเดียวเป็นตัวศีลนั่นอะไรเป็นตัวเจตนาก็ใจนั่นแหละเป็นตัวเจตนาเจตนาว่าจะทําความชั่วไม่ทําความชั่วก็คือใจนั่นแหละนี่แหละตัวนี้อะไรเป็นตัวศีลนั่นน่น ก็เราก็เข้าใจนะเราก็เข้าใจในคําว่าสี่นี้แหละ ใ, ให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันนะวันนี้ก็ให้ให้เรียกวา่าให้กําลังใจกันเพื่อเตือนกันให้มีความตื่นเนื้อตื่นตัวอย่าพากันประมาทอยู่กับของตายให้อยู่อย่าอยู่รอวันตายเฉยๆให้พากันฟิตเนื้อฟิตตัวจะขอขึ้นมาก่อนที่เราจะตายนี้อย่างน้อยให้กิจใจของเราได้ ชิมรสชาติของอัจของรมบ้างในรับความสงบร่มเย็นขึ้นมาบ้างแม้ไม่มากก็ตามให้มีในจิตใจของพวกเราแต่ละคนละคนนะวันนี้การพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรแจกันเวลา <c oughs> เอขอให้ไอ้บรรดาพี่น้องทั้งหลายจง <c oughs> มีความสุขความเจริญอยู่นึกปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอยู่ในวิสัยของมนุษย์ที่ควรจะได้ต่ถึงก็เ อ, เอให ขอขอความนึกปรารถนานั้นจงเป็นสิทธามัทธุสิทธามัทธุอีรังบาลังขอความนึกขอจงความนึกปรารถนานั้นจงเป็นพลังให้เกิดความสำเร็จแจ่รรนาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิน